พระธรรมเทศนาแผ่นที่93าลำดับที่9โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่า น, นาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่17กันยายน2559มีชื่อเรื่องว่ายามัวแต่หาตังจดลืมตาย อันดีวัรัมอาญาจารตันตีนัตตาเทระกัญญาติกาเดเดตุขังมังอนุตังปิมังปัจฉางเอาคณะสัตยาญาณโยมหลวงพ่อจะได้กล่าวสังเวยนิยกถาเกี่ยวกับงานประชุมเพลิงของ คุณโยมปัจจัยแล้วก็ก่อนที่จะแสดงธรรมหลวงพ่ออยากจะประกาศเกียรติคุณของคุณโยมปัจจัยนาเรียนรักให้กับพวกเราคณะทศช า, ธา ญ, ญาติโยมได้ฟังว่าพันตรีปัจจัยเกี่ยวข้องกับวัดป่าบ้านตาเกี่ยวข้องกับองค์ตกลงตามหาบัวอย่างไร หลวงตาให้ความไว้เนื้อเชื่อใจให้ความสนิทใจยังไงกับคุณโยมปัจจัยท่านนี้วันนั้นพวกศรัทธา ญ, ญาติโยมบางคนก็อาจจะรู้บ้างแต่หลวงพ่ออยากจะให้แสดงออกหรือว่าเป็นการประกาศเกียรติคุณหุครั้งสุดท้ายของคุณโยมปัจจัยที่ได้ทําคุณอูปการให้กับวัดป่าบ้านกาดและก็คุณอูปการให้กับประเทศชาติ และกนอูปการให้กับที่องค์หลวงตาไว้เนื้อเชื่อใจที่ท่านได้มอบพินัยกรรมให้กับคุณโยมปัจจัยแสดงว่าองค์หลวงตาท่านคงจะมองเห็นแล้วว่าเป็นคนซื่อตรงเป็นคนซื่อสัตว์เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจองค์หลวงตาจึงได้มอบอพินัยกรรมให้เพราะนั้นอยากจะให้พระอ่านดูซินะ อ่านให้คณะสถาญาติโยมฟังแล้วหลวงพ่อจะได้สรุปให้ฟังว่าเรื่องพินกรรมของคุณโยมปัจใจนาดินรักที่หลวงตาได้มอบและก็ได้อ่านวันนั้นหลวงพ่อเองเป็นคนอ่านในวันที่หลวงตาละสังขารที่ศาลาและก็มีทุนกระบอม ฝ้ายหญิงแล้วก็มีหลวงปู่วัดโพทที่สมพรเป็นประธานฝ่ายสงฆ์แล้วก็มีคณะครูบาอาจารย์ครบถ้วนวันนั้นแล้วก็หลวงพ่อก็ได้อ่านต่อพระพักทูลก็บอกฝ้ายหญิงที่เป็นลูกบุญธรรมขอกองหลวงตาแล้วก็ได้อ่านต่อนหน้าคณะสงฆ์ทั่วนหน้ากันมาครั้งหนึ่งแล้วลหละแต่มาคราวนี้ คุณโยมปัจจัยที่เป็นผู้หนึ่งใ น, ในพิธีกรรมขององค์หลวงตาก็อยากจะให้พวกเราคณะทศไทยญาติโยมมาในงานศพในการส่งสกการในวันนี้อยากจะให้พวกเราได้รับผูรร้รับทราบว่าคุณโยมปัจตใจกับองค์หลวงตาท่านมอบความไว้วางใจอย่างไรที่ท่านให้พิธีกรรมคนนั้นเอา จะให้รกราบขอโอกาสอ่านพินัยกรรมขององค์หลวงตามหาบุญยานสัมปโนโพินัยกรรมธรรมที่วัดป่าบ้านตาบอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเมื่อวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2543้า่าเข้าพาเจ้าพระธรรมวิสุทธิมงคลพระมหาบวญยานสัมปโนโ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 ที่จะได้รับบริจาคในงานศพของข้าพเจ้าให้จัดการดังนี้ 1.1 ส่วนที่เป็นทองคำให้หลอมเป็นทองคำแท่ง 1.2 ส่วนที่เป็นเงินไม่ว่าจะเป็นเงินสกุลใดให้นำไปซื้อทองคำแท่งให้นําทองคำแท่งทั้งข้อ 1.1 และข้อ 1.2 ไปมอบให้กับธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำรองเงินตาของฝ่ายออกบัตรของธนาคารแห่งประเทศไทยโดยข้าพเจ้าไม่มีเจตนาจะให้บุคคลหรือบุคคลใดนำไปใช้เพื่อการอื่นนอกจากเป็นเงินทุนสำรองของประเทศไทยเท่านั้นข้อ2ให้ตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดงานศพและร่วมกันจัดการดูแลทรัพย์สินทั้งปวงที่มีอยู่ในคณะมรณภาพ และที่จะได้รับบริจาคในงานศพของข้าพเจ้าโดยให้ดำเนินการอย่างเปิดเผยและดำเนินการตามเจตนาของข้าพเจ้าที่ระบุไว้ในข้อหนึ่งข้อ3ให้กรรมการตามข้อ2มีจำนวน9คนประกอบด้วย 1. พระอาจารย์ฟักสันติธโม 2. พระอาจารย์อินทวายสันตุสโก 3. พระปัญญาวัตโธ4พระอาจารย์วัรชัยวิจิตโต5พระนท่า น, นองค์ขมนตรีด็อกเตอร์เฉาณสีระวัน6นายสิริครูสกุล7มอมหลวงราชวงศ์ทองสิริทองแถม8พันตรีเอกกฤษดาบุรณะผานิธและ9พันตรีปัจจัยนารินรัก ข้อ4ข้าพเจ้าขอตั้งให้พระสุดใจทันตมโนเป็นผู้จัดการมรดกของข้าพเจ้าพินัยกรรมฉบับนี้ทำไว้สมฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกันเก็บไว้ที่ 1. วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี 2. ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดสาขาอุดรธานีและส ธนาคารกสิกรไทยจำกัดสาขาอุดรธานีพินัยกรรมฉบับนี้ทำขึ้นด้วยความสมัครใจของข้าพเจ้าเองและข้าพเจ้ามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์จึงลงชื่อไว้ต่อหน้าพยานลงชื่อพระมหาบุญยานสัมปโนผู้ทาพินัยกรรมข้าพเจ้าพระปัญญาวัตโธและพระสุใจทันตมโนขอรับรองว่าผู้ทาพินัยกรรมได้ลงลายมือชื่อ ต่อหน้าข้าพเจ้าจริงลงชื่อพระปัญญาวัดโทพยานลงชื่อพระสุดใจทันตมโนพยานพินัยกรรมฉบับนี้ข้าพเจ้าพระสุดใจทันตมโนเป็นผู้พิมพ์และผู้เขียนลงชื่อพระสุดใจทันตมโนเป็นผู้พิมพ์และผู้เขียนอันเดียวกเราพระนักทายาทโยนทุกท่านก็คงจะทราบไดยว่าอาจารย์ พันธีพันีปัจจัยนารินรักที่ที่พวกเราจะประชุมเพลิงอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้ เ, เป็นบุคคล อ, อย่างไรก็องค์หลวงตาเกี่ยวเนื่องกับองค์หลวงตาตองตาไว้เนื้อเชื่อใจจนถึงอมอบพินัยกรรมให้ในท่านหนึ่งแต่บัดนี้พวกที่ได้รับพินัยกรรมก็ ผ่านไปแล้วพระสององค์คือหลวงปู่ฟักกับหลวงปู่ปัญญานะที่ผ่านไปยังเหลืออยู่สององค์พระนะมีหลวงพ่ออินถวายกับหลวงพ่อวัญชัยสำหรับญาติโยมห้าท่านก็อาจารย์พันตรีปัจจันี่ไปก่อนเพื่อนไปแล้วนะนั่นแหละทางนี้ยังเหลืออยู่นะยังเหลืออยู่หกนะ พระสองอพระสองโยมโยมสี่อแต่ไม่รู้ว่าใครจะเป็นเอเป็นคิวต่อไปไม่รู้ว่าใครจะเป็นคิวต่อไปเอาอาจจะเป็นโลวงพ่อินก็ได้นะเป็นคิวต่อไปเเอพวัะ น, นั้นให้คิดไว้อยู่เสมอว่ามรณงเมภวิสติอีกสักวันหนึ่งข้าพเจ้าจะต้อง ถึงจุดจบเออเหมือนกับนี่แหละท่านพันตรีปัจจัยอย่างที่พวกเราที่มาเจอมาเห็นเนี่ยอย่างพวกเราก็ไม่คาดคิดว่าจะลงเร็วท่านจะจากไปเร็วถึงขนาดนี้นะท่านพันตรีปัจจัยนารินรักษ <c oughs> ์ท่านเกิดเมื่อวันที่20มกราคมพุทธศักราช2479 แล้วก็อายุของท่าน80ปี7เดือน24วันเอ่อประวัติย่อของท่านนะแต่รายละเอียดนั้นพวกลูกหลานคงจะได้ อ, าอ่านอีกรอบนึงอันนี้หลวงพ่อจะถ้าไม่พูดไม่กล่าวไม่เกินถึงชื่อท่านเลยกลอง็คงจะขาดไปเพราะฉนั้นหลวงพ่อจึงได้กล่าวถึงชื่อท่านบ้างแล้วก็อ่านเพื่กรรมเป็นการประกาศเกียรติคุณ ที่หลวงคุณย์ยอมได้ทำุณูปการกับวัดวาศาสนากับวัดฝาบ้านตากกับองค์หลวงตามาอย่างไรก็ให้พวกเราคณะทธาจ้าจมได้รับรัรบสร้างต่อเ น, นี้อไปหลวงพ่อจะ เ, อเป็นองค์แสดงธรรมนะตจนีนะตั้งใจฟังหน้าโอ้ฝนตกว่ะทำไมอาจารย์ท่านผู้พันปันทีปัจัยของเราเอาฝนมาด้วยในว่า เทพเจ้าเหล่าเทวาคงจะออถ่ายเทน้ํำลงมาให้ชุ่มฉ่าก็มั้งนะโมตัสสะปะกวาโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะโกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะโกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะมรณธ ร, รมโมหิมรณงอนาจิตโตขยะวยธรรมมาสังคาราอัปปมาเดนะสัมปาเดทาดติเต วันนี้นับว่าเป็นวันที่พวกเจ้าภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่วาและลูกๆ ล, ล้านล้านและผู้เกี่ยวข้องไม่คาดคิดว่าผู้ที่ท่านจากไปคือท่านพันตรีปัจจัยนารินรักอายุของท่านก็้าะว่ามากก็มากพอสงควรอายุถึง8ปดสปี้าจะว่า น้อยหรือก็อน้อยกว่าคนที่มีอายุมากกว่าที่ผ่านถึงจะ90ปีแต่ถึงยังไงหลวกพ่อก็ว่าได้กําไรแล้วละนะคือตามตามไม่จริงอายุของคนในยุคปัจจุบันเนี่ยท่านว่าอายุ75ปีเป็นอายุไขนะแต่นี้ท่านก็ได้อายุ80ปีได้กําไรมา5ปีแต่จะว่าตามก ฎ, กฎเกณฑ์แต่ถึงยังไงก็ตามพวกเราจึงถือว่า ยังน้อยอเพราะยังมีกำลังที่จ ะ, ะปฏิบัติการงานได้อยูอ่อย่างเมื่อวันที่วันเลือวน 12, อวันที่12สอวันที่1ิสงิงหาที่ผ่านมานี่นะหลวงพ่อก็มาที่วัดสาบ้านตาดเพราะเป็นวันเกิดอขององค์หลวงตาสิสิงหาหลวงพ่อผพ่อเองก็เคยมาทุกครั้งถ้าไม่มีกิจธุระ จำเป็นอะไรแตป่ปีนี้กอลงอาตมาเองก็ได้มาในงานวัดปาบ้านตาดก็เห็นนะ่ะคุณโยมปัดใจเนี่ยน่ะท่านก็นั่งรับจตุปัดใจจากพี่น้องประชาชนในวันนั้นหลวงพ่อจังเห็นโ อ, อ้คุณโยมยังอุดมสมบูรณ์แต่อ้วนไปสักหน่อยหลวงพ่อก็มองมอ ง, มองดูนะ อ่อวนอ้ ว, น, วนไปสักหน่อยสำหรับผู้สูงอายุหรออ้วนเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไร น, น่าเออแต่ท่านก็นั่งรู้สึกว่าท่านก็ยิ้มแย้มแจ่แมใสอ่าหลวงพ่อเองก็ได้ยื่นขนมนมเนยให้ตามปกติเหมือนกับคนที่รู้จักมักคุ้นกันนะเออแต่พอมาไม่กี่วันก็ทราบว่าท่านได้มารณะลงไปแต่หลวงพ่อก็อืมจะทำยังไงได้ ของพันนี้เราก็ได้พิจารณาเรีอกพระกรรมฐานหรือลูกศิษย์ครูบาอาจารย์โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งลูกศิษย์ขององค์หลวงตามหาบุญแต่ถ้าเราไม่ได้คิดไม่ได้พิจารณาและไม่ได้ภาวนาถึงมรณะเหมือนละมันม ร, ามรานางเม่เนี่ยคำนี้ก็คงจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าองค์หลวงตาท่านก็พูดและพูดอีกในบรรดาธรรมเทศนาขององค์หลวงตา ท่านก็ <c oughs> ไม่ให้พวกเราตั้งอยู่ในความประมาทให้ประกอบคุณงามความดีเพระพุทธเจ้าบรมครูของพวกเราท่านก็สอนไว้อยู่เสมอว่าท่านตรัสไว้ในในพระไตรปิฎกเราก็ได้อ่านได้ศึกษาท่านก็ถามวันดูก่อนอาน o ์เธอล ะ, ละลิกถึงละเลิกถึงความตายวันลกี่ครัง้งพระอาน o ์กลาวภูลพระพุทธเจ้า ว, ว่า ประมาณวันละร้อยครั้งพระเจ้าผ่านเพราะพระองค์บอกว่าอานุนยังตั้งอยู่ในความประมาทควรระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกหายใจไม่เข้าก็ใช่ตายหายใจไม่ออกก็ตายเพราะนั้นให้เธอรละลึกถึงความตายพทธุกลมหายใจเข้าออกนั่นแหลคือผู้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทอันนี้พระพุทธองค์ท่านตรัสไว้แต่ถึงยังไงก็ตาม มาถึงองค์หลวงตาของเราหลวงตาก็ย้ำเน้นหนักให้กับพวกเราอยู่เสมออย่าตั้งอยู่ในความประมาท เ, เพราะฉะนั้นพวกเราถึงยังไงก็ตามคือหาว่าพวกเราก็บไม่ได้ลึกถึงความตายถึงมากถึงขนาดนั้นพวกเราก็ยังนําสํานึกอยู่เสมอว่าชีวิตของพวกเรามีจุดจบอีกสักวันหนึ่งข้างหน้าเพราะนั้นพวกเราจึงพยายามสั่งสมบุญกุศลตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เพราะฉะนั้นทั้งโยมคุณโยมปัจจัยทั้งคุณโยมแม่บ้านคุณโยมอินทวาที่อ่านเมื่อกี้นี่นะนี่นะการทั้งสองตายายท่านก็เข้าสู่วัดวาศาสนาดูแลวัดฝาบ้านตาดเข้าดูแลอย่างาใกล้ชิดาการเป็นอยู่ของทูบอาจารย์ถือว่าเป็นผู้สนับสนุน เ, เป็นผู้มีพระคุณสําหรับ วัดวาศาสนาวงตระกูลของพวกเราผาลั้นหลวงพ่อเองถึงจะอยู่ห่างไกลไม่ได้อยู่ใกล้วัดวาบ้านศาสตรหลวงพ่อก็ฟังเหมือนกับญาติเหมือนกับลูกลกทางหลายถึงจะออกจากบ้านไปแล้วถึงก็ยังถึงยังห่วงอยู่ยังห่วงยังห่วงว่าบ้านของเราตระกูลของเราครอบครัวของเราพ่อแม่ของเราญาติโกโหติกาพี่น้องของเราเป็นอย่างไรอันนี้ทุกคน ก็ลักษณะอย่างนั้นหลวงพ่อเองก็เช่นเดียวกันถึงจะออกไปนอกวัดแต่หลวงพ่อก็ยังเป็นห่วงว่ามีความสารถสุกศิกอย่างไรที่มีความจะได้ช่วยเหลือคิดช่วยช่วยกันคิดช่วยกันทําอย่างไรในบ้านพ่อของพวกเรานี่แหละอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุ ก, ท, กท่านนะพี่น้องทุกคนญาติโกโหติกาเป็นลูกศิษย์ลูกหาขององค์หลวงตา ถึงยังไงก็ให้มีความรักมีความพร้อมเพียงสามัคคีกันแล้วก็ให้ประกอบคุณงามความดีให้เชื่อฟังโอวาทขององหลวงตาของพวกเราองหลวงตาของเรามีแต่สอนหลายชั้นเชิงหลายเล่เหลี่ยมให้พวกเรามีความตั้งอกตั้งใจประพฤติศินประพฤติธรรมให้เป็นผู้สำรวงกายวายใจใจของพวกเราทุกๆคนทุกระดับ สาสายฝ่ายพระท่านก็สอนอีกในระดับหนึ่งสําหรับฝ่ายพระสงฆ์และสําหรับฝ่ายญาติโยมท่านก็สอนพระองค์หลวงตาของพวกเราเนี่ยเป็นผู้พร้อมเป็นผู้มีสติปัญญาเป็นพร้อมฝุดพร้อมทุกอย่างตามที่หลุงพ่อได้พบได้เห็นได้เจอครูบาอาจารย์มาลหลายท่านองค์หลวงตาในท่านได้ทั้งกิริยามารยาทสมบัติผู้ดีได้ทั้ง ทั้งปริยัตในการเรียนการศึกษาในพระไตรปิฎกในอัดในธรรมึกตื่ น, นลึกหนาบางอย่างไงลงต า, าค้นคว้าศึกษาและก็จากนั้นเมื่อท่านคนคว้าศึกษาได้ปริยัติธรมแล้วท่านก็ลงมือปฏิบัติมาอยู่กับองค์หลวงปู่มั่นท่านก็เลยปฏิบัติเอาจริงเอาจาังอีกจนท่านประกาศตัวเองว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วท่านจะไม่มาเกิดอีกแล้ว อันนี้ก็คือองค์หลวงตาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราเพราะฉะนั้นพวกเราในฐานะศิษย์ทั้งหลายที่เป็นศิษยาณุศิษย์ขององค์หลว ง, งตาก็ขอให้พวกเราให้เดินตามแนวแถวองค์หลงาาวงตาพาดําเนินองค์งตาพาดําเนินอย่างไรพวกเราเข้าไปทุกวี่ทุกวันทุกเช้าทุกทุกเช้าถึงยังไปทุกเย็นก็เถอะนะในเมื่อได้พบได้เห็นท่านท่านแสดงอากัปกิริยายอย่างไรแนะนําสั่งสอนพวกเราอย่างไร อ, อย่างนี้นพวกเราก็ได้นํามาปรับปรุงแก้แขไขกายวาจาจใจของเราเมื่อเรามาทมาํานํามาปรับปรุงแก้แขไขกายวายใจใจของเราเราเป็นสมบัติของเรานะท่านนไม่ใช่สมบัติของหลวงตาแต่หลวงตาเป็นผู้ชี้เป็นผู้นําเป็นผู้บอกกล่าวว่าพวกเราควรปฏิบัติตนอย่างไรควรจะวางตัวอย่างไรในการประพฤติปฏิบัติแต่ถึงยังไงหลวงตานี่ ท่านเน้นสำหรับฆราวาสญาติยาจโยมก็ให้เป็นผู้มีทานมีสินให้พวกเราศึกษาดูจะเป็นเอ็มพีสาก็ดีจะเป็นวิดีโอก็ตามนะยังมีรูปภาพให้พวกเราได้เห็นตําตาตําใจมากมายทีเดียวเลยเราจะสายดูซินั่นแหละให้ยึดปฏิปทาขององค์หลวงตาอยู่ในเอ็สในดีวีดี DVD นั่นแหละ ในม้วลออกมาใชา้เป็นฉากตู้นี่แหละแนวปฏิปทาของท่านท่านพาดําเนินอย่างไรท่านสอนอย่างไรสอนลูกศิษย์ลูกหาอย่างไรท่านให้เป็นผู้มีเสียสระอย่างไรท่านให้มีการเสียในตัวของท่านท่านเสียสระอย่างไรท่านแนะนําสั่งสอนศรัทธาญาติโยมให้เสียสระในทำบุญทําทานอย่างไรไอ้จานั้นก็ให้ประกอบคุณงามความดีอย่างไรให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทอย่างไร หลวงตาท่านสอนในดีวดีหรือว่าวิดีโอที่เราได้ถ่ายเอาไว้นะครบบริบูรณ์ถ้าพวกเราศึกษานะต้องการศึกษาเราไม่ต้องพูดหรอกว่าหลวงตาพาดําเนินยังไงก็เห็นตามตามตําใจของพวกเราอยู่ทุกๆท่านเพราะฉะนั้นขอให้พวกเรานํามาประพฤติปฏิบัติปรปับปรุงกายใจของพวกเราอันนั้นนะจะเลิศประเสริฐแต่ว่าพวกเรามีแต่พูดเฉยเฉยมีแต่พูดถึง มีจะพูดถึงหลวงต า, าหลวงตาทำอย่างนั้นหลวงตาสอนอย่างนี้หลวงตาแนะนำสั่งสอนอย่างนี้ปฏิปทาของหลวงตาอย่างนั้นแต่พวกเราไม่นนได้นำมาประพฤติปฏิบัติก็เหมือนกับพวกเราพูดถึงเรื่องอาหารน อ, อาหารอร่อยอย่างงน้นอาหารอร่อยอย่างนี้นมีแต่สนทนากันแต่พวกเราไม่ได้นำอาหารมารับทานมันก็ระงับความหิวไม่ได้เอ่อมันก็หิวอยู่อย่างนั้นถึงจะพูดอะไรก็ยิ่งหิวมาก เพราะมันพูดถึงเรื่องอาหารแต่ถ้าพวกเรานําอาหารเข้ามารับทานซะความหิวมันก็หมดไปนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละถ้าว่าพวกเรามีแต่นำทำคําสอนของหลวงโอ่งหลวงตามาพูดมากล่าวแต่พวกเราไม่ได้นํามาประพฤติปฏิบัติมาปรปับปรุงกายว่าจาจใจของพวกเราพวกเราคนนะ่ะเหมือนกับเราพูดแต่เรื่องอาหารไม่ได้นํามารับทาน บริการขอให้พวกเราทุกท่กทานนะนำอาหารที่เราได้รู้ได้เข้าใจแล้วนะมารับทานมารับทานนะความหิวอของพวกเราจะหายไปนี้่เหมือนกันนะเราได้นำำําทําคําสอนขององค์หลวงตามาประพฤติปฏิบัติในเมื่อนํามาประพฤติปฏิบัติแล้วลล ก, กิเลสโลคโกรธหลงภายในใจของเราก็จะหมดไปตามแนวแถวองค์หลวงตาพาดําเนิน ท่านผ่านมาแล้วท่านจริงมะเนี่ยนะมาแนะนําสั่งสอนพวกเราขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะอ่านี่คือทําคําสอนอเพราะว่าโยมปัจจัยเนี่ยับเป็นผู้อุปถัมภ์ประทากเป็นผู้ดูแลองค์หลวงตาไปทุกเช้าอ่ามีอะไรไปที่ไหนๆอ่าท่านหลวงตาไปณนะที่ไหนที่ใดในช่วงหลวงตาไปเทศทองหาทองคําเข้าคลังหลวงนะอะ่ถ้าเห็นหลวงตาก็เห็นโยมปัจจัยเห็นขุนชายปั่ม เห็นคณะของพวกเราพร้อมหนา้าพร้อมตากันนี่แหละอันนี้ก็คือ อ, องหลวงตา เ, เป็นเหมือนกับร่มโพร่มท ร, รายเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจในการเป็นอยู่ในการประพฤติปฏิบัติของท่านเพราะนั้นเมื่อท่านหลวงตาจากไปแล้วเราก็ยึดทำคำสอนของท่านนั่นแหละมานำมาประพฤติปฏิบัติปรับปรุงกายใจของพวกเราแต่หลวงตาท่านสอนอย่างไรที่นี่นะ สำหรับฆราวาสญาติโยมก็ให้เป็นผู้มีศีลมีธรรมอย่ า, ย, าย่าลืมตัวทำตอนนี้พวกเราพระองค์จะได้ยินได้ยินปบ่อยๆถ้าเป็นพระแล้วก็เนี่ยลงตาจะบอกว่าอยู่ณนะอยู่ณสถานที่ใดอย่าลืมตัวให้เป็นผู้ตั้งอกตั้งใจกับพุทธปฏิบัติ อ, อยู่ในหลักพระธรรมวินยัย น, นี่คือพระน ะ, ะสำหรับศรัทธาญาติโยมก็ให้ ภาวนาเนะ้ออย่าลืมตัวในการเป็นอยู่จากนั้นท่านก็กให้มีศีลห้าให้มีศีลมีธรรมเน้อนะการอยู่ด้วยกันให้มีความพร้อมเพียงสามัคคีกันเนะ้อให้รักกันไว้เนะ้อในสามีภรรยาในลูกหลานทุกครอผู้คนจากนั้นท่านก็สอนเรื่องจิตภาวนาภาวนาให้การภาวนานให้พิจารณาโดยมากของตาท่านก็สอนแบบข้ามขั้นไปเลยนะ สอนแบบใ ห, ให้พิจารณาเลยให้ดูกิเลสภายในใจของของพวกเราเลยแต่โดยมากท่านจะสอนเรื่อง <c oughs> เบื้องต้นน้อยนะท่านจะสอนแบบถ้าหากว่าเรามาพิจารณาดูย้อนหลังดูอา์พ่ออาจจะเข้าใจผิดก็ได้นะแต่หลวงพ่อเนี่ยหลวงตาเนี่ยสอนมัทธยมสอนมัธยมไปเลยไปไปถึงปัญญาตรีโทเอกนะ แต่ท่านไม่สอนเรื่องพอเอ่อพอหนึ่งค อ, อไกลคอกาศคออาการท่านจะไม่สอนเอ่อท่านสอนขั้นข้ามขั้นไปเลยที่พวกเราได้ยินได้ฟังแต่ึสย่งไงก็ตามองหลงตาท่านสอนให้พวกเราท่านก็รู้แล้วว่าพวกเราได้รับการศึกษามาพอสมควรแต่ควรจะเข้าใจอย่างนี้ควรจะปฏิบัติอย่างนี้สมาธิสมาธิาธคือทํำยังไงสมาธิ คือพยายามทําจิตใจให้สงบภาวนาเยึดพุทโธเป็นหลักเลยหลวงตาท่านแนวหลวงตานะหลวงตาไปศึกษากับหลวงปู่มั่นหลวงพ่อจะพูดที่ไรหลวงพ่อพูดถึงว่าหลวงตาไปศึกษากับหลวงปู่มั่นครั้งแรกเลหลวงปู่มั่นท่านสอนว่ามหาให้ภาวนายึดพุทโธเป็นหลักนะเพราะนั้นหลวงตาท่านก็บอกว่าท่านเอาจริงเอาจังนะท่านบอกว่า ภาวนาครั้งแรกยึดพุทโธหายตะกรก่อนหน้านั้นท่านเรียนหนังสือด้วยท่านภาวนาท่านก็ภาวนาแบบยึดอะไรจะเปะจะปะไปะบางทีท่านก็ได้ศึกษาในพระไตรปิฎกว่ากําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกอันนี้คือท่านปฏิบัติมาท่านภาวนามาแต่ท่านบอกว่า ท่านนึกย้อนหลังดูว่าการภาวนากำหนดลมหายใจเข้าออกมันเผลอได้ง่ายมันหลุดได้ง่ายมันหลงลืมได้ง่ายเพราะฉะนั้นท่านจึงลงมาถึงหลวงปูมงป่มั่นหลวงปู่มั่นบอกว่าให้สำคับกับพุทโธเข้าด้วยนะหายใจเข้าบริกรรมพุทหายใจออกบริกรรมโธจากนั้นท่านองค์หลวงตาท่านก็เชื่อฟังในองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นท่านก็ปฏิบัติตาม เวลาภาวนาท่านก็บอกว่าหายตั้งต้นใหม่เลยทีนี้ตั้งจิตอธิษฐานใหม่เลยข้าพเจ้าจะไม่ให้เผลอในอริยบททั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนเว้นเสียตลับถ้าหลับมันก็เผลอเป็นธรรมดาถ้าพอตื่นขึ้นมาจะพยายามให้อยู่กับพุทโธตลอดเวลานั่งภาวนาก่อนหายใจเข้าพุทหายใจออกโโหเวลาออกจากทางเดินออกจากนั่งภาวนาตื่นขึ้นมา เวลาก้าวขาขาขวาพดขาซ้า ย, า, ายโถเวลาปัดกวาดเวี่ยงขวาพดเวียงซ้ายโถนี่แหละเวลานอนก่อนอนตะแคงขวาแล้วก็พุทโพพุทโถหายใจเข้าพดทธหายใจออกโถจนหลับไปอันนี้หลวงตาท่านว่าวันแรกสองสามวันวันห น, นึ่งที่สองสามเนี่ยโอ้มันหนักเหมือนอกจะแตกท่านว่าแค่นะหลวงตาท่านพูดให้ฟังพวกเราก็คงจะได้ยินที่หลวงตาพูดเบังคับให้ กิตอยู่กับตัวเองเนะี่ยมันไม่ใช่ธรรมดาเนะี่ยงานกะวาวัเราเคยทำงานหนักหนาสาหัสมาแต่ว่ามาเรื่องมาเจอกับเรื่องภาวนาซึ่งภาวนาหนักมากที่สุดเลย่น ห, หนักกว่าการงานที่เราเคยผ่านมาวันนั้นองคลุงตาท่านก็นเล่าให้กับพวกเราท่านทัน้งหลายฟังอันนี้คือการกำหนดภาวนาของท่านเบื้องแรกพอถึงวันที่4ี่ที่หใจของท่านสงบนิ่งทนว่าน ค่อยสงบสงบสงบสงบลงจนนิ่ง อ, อยู่กับตัวเองอยู่ตลอด เ, อเพราะว่าเราพยายามบังคับให้อยู่กับตนเองจากนั้นใจของท่งานก็เข้าสู่ความสงบนิ่งเป็นสมาธิเมื่อเป็นสมาธิท่านก็ บ, บอกว่าตั้งแต่บัดนี้ไปใจของเราจะไม่เสื่อม เ, อเคยๆจะไม่เสื่อมไปอีกแต่ก่อนมันขึ้นมาแล้วก็เสื่อมขึ้นมาแล้วก็เสื่อมเพราะเหตุอะไรเพราะว่าสติมันขาดนะ มันขาดมันสติมันขาดมันขาดมันก็เสื่อมมันก็หลุดไปแต่บัดนี้มันจะไม่เสื่อมนะนี่นแหละท่านก็ยึดตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาภาวนาภาวนาเนี่ยจิตใจรู้สีหวันแน่นปึงเลยเรื่องสมาธิสิท่านติดสมาธิอยู่หลายปีท่านว่าั้นะพอจากนั้นเขาไปศึกษากับหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นก็ถามพอภาวนาหายเงียบไปท่านเออเป็นไงมหาภาวนาแล้วก็ถามหลวงปู่มั่นเหมือนกับลูกศิษย์ ครูบาอาจารย์ถามลูกศิษย์ลักษณะอนยะ่างไรเป็นยังไงภาวนาหลวงตามหาบัวชโอภาวนาก็รู้สึกว่าเป็นสมาธิแน่นแน่นหนาะแน่นปึงเลยครับผมสมาธิดีมากจะนั่งทั้งคืนก็ได้อันนี้หลวงปู่มั่นท่านก็บอกว่าแต่หลวงตามหาบัวชในใจของท่านเนี่ยท่านจะว่าภาวนาจิตใจเป็นสมาธิดีแน่วแน่แล้ว เ, เดี๋ยวก็จะเป็นมักเป็นผลเองเออในใจของท่านนะ เออก็คือจะเห็นจะจะได้สําเร็จมัดสาเร็จผลเองในการนั่งเพราะมันจิตมันแนว่วมันมีความสุขจริงๆในขณะที่นั่งจิตใจเข้าสู่ความสงบนั้นแต่พอไปถึงหลวปงปู่มั่นของปู่มั่นถามว่าเป็นไงมาหาโอจิตสงบดีจะนั่งทั้งคืนก็ได้ครับผมจิตสงบดีมากท่านว่าเออเข้ามาจิตเมื่อจิตสงบแล้วก็ให้ถอนถอนออกไปพิจารณานะ เ, าเดินทางวิปัสสนาอาันนั้นคือมันสงบ เออมันสงบนะพอมันสงบเป็นพื้นฐานแล้วก็อถอนออกจากความสงบมาพิจารณาแต่หลวงตามหาบัวท่านก็ไปกราบองค์หลวงปู่มั่นเออหลวงปู่มั่นถามอีกเป็นไงมันออกอย่างไม่ออกครับเออคล้ายๆว่ามันเหมือนติดอยู่ในสมาธิเหมือนกับคนอยู่ในห้องแอร์ทานอาหารเสร็จแล้วก็ไปพักในห้องแอร์เย็นสบายพอออกจากห้องแอร์ไปทําการทํางานเออพอไปถูกแดด ถ, ถูกฝนไปถูกไปถูก งานการงานเข้าไปไม่ได้ใจไม่สู้เลยแลมันมีแต่จะวิ่งเข้ามาหาที่ที่พักห้องแอร์อยู่ตลอดเออมันไม่ออกไม่ยอมจากออกไม่ยอมออกจากห้องสมาธิาหลวงปู่มัน่นโอยไม่ได้นะถ้ามันอยู่ในสมาธิมันไม่เกิดประโยชน์นะมันต้องนำมาพิจารณานะามันจึงจะเกิดประโยชน์พอรครั้งที่สองบอกไปแล้วองค์หลวงตาท่านก็ บ, บอกว่ามันไม่ออก มันยัญญงติดอยู่ในสมาธินเนี่ยพอครั้งที่สองท่านนั่นองค์หลวงปู่มั่นตะเพิดใหญ่ท่าว่าองั้นอ่ะอันี้หลวงตาท่านก็พูดให้พวกเราฟังนะถ้าพวกเราได้ศึกษานะที่หลวงพ่อพูดให้ฟังนี่พวกเราก็คงจะทบทวนดูว่าองค์หลวงตาเอเอพูดให้พวกเราฟังจากนั้นหลวงปู่มั่นก็ตะเพิดจนหลวงตาอบอกโกหลวงปู่มั่นเอาจริงๆครับหลวงปู่มั่นบอกว่า การติดอยู่ในสมาธิเนี่ยเหมือนกับรถของสมาธิเนี่ยเหมือนกับ เ, เนื้ออยู่ติดอยู่ในในลายฝันเท่านั้นเองมันจะหาความสุขได้ที่ไหนไปต้องต้อ ง, ต, องต้องนำมาพิจารณาซิมันจึงจะได้นี่แหละหลวงตาท่านก็บอกให้องหลวงปู่มั่นเขาบอกให้องคองหลวงตามาพิจารณาพิจารณาอะไร ท่านให้พิจารณาเกษาผมโลมาขนนาขาเล็บธันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับปังผืนไตปอดไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่านี่แหละพิจารณาร่างกายสรุปแล้วคือพิจารณาให้เป็นอสุภะปฏิกูลร่างกายเนี่มันไม่ใช่ตัวตนของเรานะอีกสักวันหนึ่ง เ, เมื่ออายุมากขึ้นมาหรือว่าคนตายไปแล้วเราก็ไม่ใช่ว่าอายุมากก่อนจึงจะตาย เราก็ไม่รู้ว่าวันไหนละอีกสักวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยไม่รู้วันวันไหนละแต่บางคนก็แก่บางคนก็หนุ่มบางทีก็ประสบอุปัตเทศมากมายอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นคนตายนั่นแหะแต่ไม่ใช่ว่าจะตายแก่ทุกคนไม่ใช่นี่แหละร่างกายของเราเนี่ยเป็นหาความเที่ยงแท้แน่นอนไม่ได้จากนั้นเมื่อตายไปแล้วเป็นยังไงถ้าเราไม่ไปไม่ไม่ฝังไม่เผาแล้ร่างกายมันเป็นอย่างไรร่างกายของเราก็เน่าเฟื่อย เออเน่าเปื่อย เ, ออเละไปหมดมีกลิ่นเหม็นไปหมดนี่แหละร่างกายของมนุษย์เป็นอย่างนั้นใช่ไหมนี่แหละท่านให้พิจารณาอย่างนั้นนะนี่แหละก็คือการพิจารณากรรมฐานนะว่าวิปัสสนาเออวิปัสสนาคือวิปัสสนึกก่อนนึกซะก่อนเอานึกคิดซะก่อน น, อ น, นึกคิดไตรตรองตามเหตุแผลจริงไหมเออถ้าว่าคนไม่ถูกเผาไม่ถูกเผาไฟทิ้งนะ่ะมันเป็นอย่างนั้นจริงไหมเออ มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นมีแต่หนอนย้อเยี้ยมแมลงวันเต็มไปหมดเออมีแต่วตพวกสัตว์พวกมดพวกอะไร เ, เต็มไปหมดในละแวกนั้นกลิ่นเหม็นอีกต่างหากมนุษย์เนี่ยไม่มีอะไรที่จะเหม็นยิ่งกว่ามนุษย์มนุษ ย, นย์กลิ่นของมนุษย์นะนี่แหละอันนี้ก็คือท่านหลวงอู่มั่นท่านให้หลวงตาเราพิจารณาแยกแยกแยกส่วนแบ่งส่วนเหมือนกับหมอเขา แยกส่วนแบ่งส่วนอาจารย์ใหญ่ลักษณะอย่างนั้นน่ะชำละกายให้รู้จักวัฏฏะสี่ดินน้ามลมไฟของร่างกายของเรามีเนื้อหนังเอ็นกระดูกตับปอดหัวใจอยู่ในตัวของเราเนี่ยล้วนแล้วจะเป็นอสุภะปฏิกูลทางนั้นนี่อันนี้ก็คือให้หลวงตาพิจารณาแต่นี้หลวงตาเมื่อหลวงปู่มั่นแนะนำอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวต้องให้ออกพิจารณา อย่างนั้นหลวงตาก็มาพิจารณาพิจารณาก็เห็นตามความเป็นจริงอย่างที่ว่าท่านว่านะ่ะพอพิจารณาไปนาทีแรกก็บังคับให้มันพิจารณาพระบังคับไปเห็นเห็นพ่อเห็นจริงออกเออพิจารณาไปแล้วมันไม่ยอมหยุดทีนี้เออแต่ก่อนมันมีแต่นิ่งภาวนาคือสมถาัานคือจิตใจให้เนิ่งให้สงบแต่พอมาพิจารณาทางด้านปัญญามันตะลิดเปิดเปิงเลยทีนี้ มันคิดอยู่ตลอดทั้งวี่ทั้งวันจนมาหาเวลาพักผ่อนนอนไม่ได้นเอยใครๆมันเห็นพิจารณาร่างกายคนนะจิตใจที่ผ่านสมาธิมาแล้วนะมันจะเป็นอย่างนั้นนะออพอจิตใจที่ท่านผ่านสมาธิมาแล้วอย่างโชคโครนนะมาพิจารณาปัญญาออกปัญญาที่เห็นตามความเป็นจริงขุยเกลียดกดคน้นดูร่างกายคนตัวเองจะนัน่เข้าไปกราบหลวงปู่หลวงปู่หลวงปู่มั่น หลวงปู่มั่นท่านก็ บ, บอกว่าเป็นไงมาหาโอ้มันออกมันออกเลยกับผมออเตเลิดเปิดเปิงไม่ยอมนอนเลยนะเดิอหลวงปู่มั่นคงจะมองเห็นนะตาแข็งเลยนะเคนนอนไม่หลับมันต้องตาแข็งนะเพราะมันปรุงมันฟุ้งออกไปข้างนอกมากเกินไปหลวงปู่มั่นท่านก็เพิดขู่ขึ้นมาอีกเ อ, อนั่นแหละมันจะเป็นบ้า อ, อมันบ้าสังขารมันหลงสังขาร น, นั่นแหละมันต้องบังคับให้เข้าสู่ความสงบอีกสินี่แหละ ให้พวกเราฟังเอาไว้นะคะนักธรญาติโยมพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์หลวงตาของเราและท่านภาวนานสมัติคือทําจิตใจให้สงบวิปัชนาคือนํามากันกลองไตรตรองหาเหตุและผลในเมื่อทำมาพิจารณาการกลองไตรตรองแล้วมันเหนื่อยเออมันต้องบังคับเข้าไปสู่ความสงบอีกออบังคับให้พักผ่อนออให้พักผ่อนเหมือนกับคนเออ แต่ยืนนันนอนอยู่แต่ในห้องแอร์มันก็ไม่เห็นผลไม่เห็นผลงานแต่เมื่อเรานํามาออกมาจากผลงานมาทํางานทั้งพี่ทั้งวันไม่มีเวลาพักผ่อนเลยอันนั้นก็มันจะไหวเหรอมันเบอร์ไปหมดอีกเหมือนกันในเมื่อทํางานพอสมควรแล้วเหนื่อยอกลับเข้าไปไปหาที่พักรับมีดฝนมีดทานอาหารแล้วพักพักผ่อนพอพักผ่อนเสร็จแล้วก็ออกมาพิจารณาอีก เมื่อพิจารณาเสร็จแล้วมันเหนื่อยพอประมาณแล้วกลับมาหาสมาธิอกีกพอมาสมาธิอกีกออกไปค้นคว้าอกีกนี่แหละอันนี้คือสรุปแล้วก็คือต่างกลัมต่างวาระสมร t h คือทําจิตใจให้สงบในเมื่อทําจิตใจให้สงบเราไม่ต้องวิตกกังวลเรื่องวิปัสสนาในเมื่อเรานํำไปพิจารณาเราอ่าไปวิตกกังวลในความสงบให้แยกกังแยก อยากต่างกล้ำต่างวาระอันนี้แหะคือองค์หลวงตาที่ท่านแนะนําสั่งสอนสิทธิอุสิทธิ์อย่างพวกเราท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นให้พวกเราท่านละเมื่อพิจารณาร่างกายดูแล้วเนี่ยร่างกายก็คือร่างกายมันเป็นอะไรมันเป็นดินน้ําลมไฟมันเป็นอสุภะปฏิกูลไปทั้งหมดมันอยู่ที่ไหนถึงมันอยู่ที่ใจจากนั้นก็นย้อนมหาตัวผู้รู้คือใจเถิดใจของเราเป็นหลงไปหลงร่างกาย เพราะนั้นท่านจึงให้พิจารณาร่างกายเพราะนั้นหลักธรรมคาสอนของพุทธท่านเมื่อภาวนาเสร็จแล้วท่านให้พิจารณาร่างกายมาให้พิจารณาการกรองไตรตองแยกแยะส่วนร่างกายให้เห็นตามความเป็นจริงร่างกายผลลัพสุดของร่างกายก็คือลงสู่ดินน้ําลมไฟในเมื่อร่างกายของเราลงไปแล้วไปสู่ดินน้ําลงไฟนั้นเดี๋ยวีิก็มารดูใจของเราขนาดร่างกายสังขารในร่างกายของเรายังไม่ใช่ของเรา นะยังแตกสลายอีกสักวั น, นอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยท่านพันตรีปัจใจของเราเนี่ก่อนน่าจะส่งขึ้นเมนพอส่งขึ้นเมนเสร็จแล้วนะครับก็เผาไปชุมเพลิงพอไปชุมเพลิงเสร็จแล้วเป็นยังไงก็มีแต่กระดูกออกมาทั้นนั้นพอขนาดร่างกายตัวเองอย่างไม่ใช่ตัวตนของเราและพี่น้องเพื่อนฝูงละ่ะญาติโกโหติกา เงินคำทรัพย์สมบัติยศถาบรรดาศักล์เลือกสวนไร่นาล่ะจะเป็นของเราได้อยู่เหรอืออันนี้เมื่อเราพิจารณาอย่างนั้นแล้วเราก็เห็นได้ชัดเลยว่าขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเราสิ่งเหล่านั้นเป็นปัจจัยอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวในการดํำรงชีพอยู่เท่านั้นเองมันไม่ใช่ของเราขนาดร่างกายของเรายังไม่ใช่ของเราสิ่งทั้งทั้งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้น จะเป็นของเราได้อย่างไรเนี่ยเพอได้สวดมันก็ปล่อยวางที่ใจน ะ, ะนี่แหละปล่อยวางที่ใจไม่ยึดมั่นถือมั่นที่ใจ เ, เพราะว่าใจของเราไปรู้เราจะไปยึดได้ยังไงเนี่แหละขอให้พวกเราทุกท่านนะอะนี่ลือคือหลักธรรมคาสอนที่องค์หลวงตาได้แนะนําสั่งสอนสิทธิญาณสิทธิท์ครับอย่างพวกเราท่านทั้งหลาย แต่จะได้มาย้อนถึงพวกเราท่านทั้งหลายเป็นแนวความคิดอีกเหมือนกันนะพวกเราแนวความคิดพวกเราเนี่ยติดอยู่ในโลกนะเสาะแสวงหาลาภหายยายชัลเสอร์หาสุขหาเงินคําทรัพย์สมบัติตั้งแต่เกิดมาเราก็เสาะแสวงหาอยู่ตลอดอือใช่เมื่อก็ถูกการเสาะแสวงหาใน้างทางสุดจริตนะเราก็ไม่ว่ากันแต่ที่ยังไงท่านรุ่มหลงมัวเมาถือว่าการเสาะแสวงหาทรัพย์นั้นระลิกประเสริฐที่สุด ยิ่งกว่าธรรมอันนั้นผิดที่แล้วเราต้องสอดแย้งหาทางโลกเราก็หาทางธรรมเราก็หานะทางโลกเราก็หาทางโลกจะตกปัจจัยเราก็ต้องหาธรรมธรรมะคือในจิตใจเราก็ต้องหาอีกเหมือนกันนี่แหละการหาสต้แย้งหาธรรมกันนั่นเรื่องสิ่งสมาธิปัญญาอย่างองค์ลุงตาพาดําเนินนี่แหละอันนี้ก็คือหาธรรมแต่หาโลกของเรากนนี้แหละหาจะตกปัจจัยเพื่อเลี้ยงชีพอันนี้ก็เป็นทางหนึ่ง แต่ถึงยังไงก็ตามนะหลวงพ่อบอกขอบอกได้เลยว่าถ้าเราพวกเราจะเน้นหนัก <c oughs> ลูกหลานทุกวันนี้หาหาเงินคําทรัพสมบัติจนจนหลงจนหลงลืมตัว จ, จนหลงลืมธรรมนะอันนั้นไม่น่าจะถูกนะอหลวงพ่อบอกได้เลยว่าจะตุปใจจัยเงินคําทรัพย์สมบัตินี่ส่งเรา <c oughs> ส่งพวกเราถึงโรงพยาบาลเท่านั้นนะอสึงทงถึงโรงพยาบาล แต่ญาติพี่น้องพวกเราอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยรักเคารพในท่านปันตรีปัจจัยก็ส่งถึงเมรจากนั้นก็คมเพื่อส่งถึงเมรนั่นแหละจากนั้นก็ออกจากเมรนั่นแหละดวงวิญญาณของท่านพันตรีปัจจนะัยอั ต, ตหิอัตโนนาโถนะตนแลเป็นที่พึ่งของตนโกหินาโถปรโรศิยาคนอื่นใครเลยจะเป็นที่พึ่งเราได้นอกจากตัวของเรานะ ะอันนี้ให้พวกเราให้สังเกตนี่ที่หลวงพ่อได้เรียนให้รู้อะไรเข้าใจปัจจัยที่เราหาแทบล้มแทบตายแล้วก so, ็ไปส่งถ uh ึงโรงพยาบาลหมอเข้ารักษาพอรักษาแล้วก็หมดความสามารถถึงพวกเราจะมั่งมีสีสุขเงินเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านก็เถอะนะหมอหมดความสามารถแล้วก็หมดจ่ายเงินเท่าไหร่ก็จะจ่ายให้หมอ เสร็จแล้วหมอก็ไม่รู้จะรักษาอย่างไงเพราะฉะนั้นก็ถึงจุดจบของชีวิตของร่างกายของจุดจบเพราะจุดจบเสร็จแล้วก็จะทาอย่างไรใดพี่น้องก็ต้องเอามาเอามาไว้ที่บ้านจากนั้นก็มาบำเพ็ญกุศลมาใส่หีบใส่โรงเสร็จแล้วก็เนี่ยนำขึ้นไปสู่เมนไปสู่เมนก็น่พวกเราญาติโกโหติกาทุกคน ก็ไปวางดอกไม้จันเท่านี้เออท่านปฏิปันตีปัจจัยออข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพังท่านก็ขอให้ท่านอาหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิดออท่านก็เหมือนกันได้ประม า, าพทพลาดพังข้าพเจ้าก็ข้าพเจ้ายินดี อ, อโหสิกรรมให้กับท่านขอให้ท่านไปดีเนาะ เ, ออเราก็ให้อาหสิกรรมซึ่งกันและกันไม่ถือโทษโกรธเครืองนะออจากท่านเราก็มาเราก็มานั่งพอจนากนั้นกัน เขาก็ไปชุมเพลิงร่างกายพอออกนัน่นแหะพอประชุมเพิงแล้วนะ่ะดวงวิญญาณของท่านปันตีปัจจัยนะั่นแหะนารินรักบนของท่านได้ทําไวอย่างไงกุศลท่านได้ทําไวอย่างไงนั่นละ่ะกุศล น, นั่นแหละเป็นเพื่อนสองของใจเท่านี้ะจะพาไปในเกิดในกติภูมิต่างๆแต่ถือยังไงก็ตามนะหลวงพ่อเองเขามั่นใจ ท่านพันท่านพันตรีของเราศึกษาธรรมะอยู่กับองค์หลวงตาเป็นระยะเวลายาวนานท่านก็ศึกษาธรรมะหลวงพ่อมั่นเกใจว่าเมื่อถึงโค้งสุดท้ายของท่านท่านต้องระลึกถึงความคุณงามความดีของท่านท่านอย่างน้อยท่านก็ต้องไปสู่สวรรค์แห่ะถ้าหากว่าท่านเคยภาวนาท่านก็คงจะไปสู่พรหมฮะอันนี้เราไม่ต้องสงสัยลคนคุณ ถ้าหาว่าคุณโยมปัจจัยท่านปฏิวัติตนอย่างขนาดนี้แล้วนะถ้าหาว่าท่านไปตกนรกเนะี่ยใครจะไปสู่สวรรค์ได้นะตรหลงพ่อมั่นใจอย่างนั้นนะแต่ถึงยังไงก็ตามนะขอให้พวกเราทุกๆท่านการสั่งสมบุญกุศลกับอย่างที่หลวงพ่อได้พูดทั้งว่าผู้ใดทำแต่กรรมไม่ดีในเมื่อออกจากครอบภูมินี้แล้วนะกรรมไม่ดีเนี่ยกรรมชัว่วจะเข้าเป็นเพื่อนสอง จะเข้าเป็นเพื่อนสองของเราพาไปสู่ทุกติถ้าหาว่าพวกเราทําคุณงามความดีคุณงามความดีจะเป็นเพื่อนสองของเราไปสู่สุคติเพราะฉนั้นขอให้พวกเราทุกท่านอย่าตั้งอยู่ในความประมาทบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์มีจริงหลวงตายืนยันบอกแล้วกล่าวอีกว่าตายแล้วไม่สูญนะหลวงตาบอกอย่างนั้นชัดเจน เพราะนั้นพวกเราเป็นสิทธาอนุสิ์ขององค์หลวงตาควรจะประกอบคุณงามความดีควรจะสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจบุญกุศลนั่น แ, แลจะเป็นเพื่อนสองของเราบาปอกุศลจะเป็นเพื่อนสองของเราไม่ดีพาเราไปตกต่ำทั้งที่เราเกิดมาได้พบพระุทธศาสนาได้พบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างองค์หลวงตาที่เป็นบัณฑิตนักปราช เพื่อพวกเราก็ควรจะประกอบคุณงามความดีเดินตามแนวแถวที่องค์หลวงตาพาดำเนินพวกเราจะไม่ผิดหวังพวกเราจะประสบแต่ความสุขความเจริญการกล่าวสัมมนธนิยกถาในวันนี้หลวงพ่อได้ยกเป็นพุทธภาษีว่ามรณะธรรมโมหิมรณนังอนัตติโต ขยัวยธรรมมาสังฆาราอ ป, ปมาเดนะสัมปาเดทาติความแปลและความหมายว่ามรณะธรรมโหมหิเรามีความตายเป็นธรรมดามรณงอนัตติโตเราจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้เนี่ยคนเราเกิดมาแล้วไม่มีใครหรอกจะล่วงพ้นความตายไปได้เกิดมาแล้วก็ต้องตา ย, ยแล้วก็ขยัวยธรรมมาสังฆารา สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเราเกิดมาแล้วก็แก่แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายไม่มีใครที่จะห ล, ลีกเลี่ยหนีผลไปได้เรื่องความตาย เ, เกิดมาแล้วก็นะ่ยไม่มีใครหรอกเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดอันนี้เป็นวาจาของพุทธคือพระพุทธเจ้ า, จาก่อนจะปรินิพานในวันเดือนหกเพ็น ก่อนที่จะปิดพระโอษพระองค์ได้ตรัสกับพระสงฆ์สาวกที่นั่งร้อมรอบอยู่ว่าขยะวยธรรมมาสังคาราอั ป, ปมาเดนะตั้มปาเดท่าติสังขารของเรานี้ไม่เที่ยงอีกสักไม่กี่ต่อไปอีกไม่นานนี่ก็จะทิ้งแล้วหมดแล้วอขอให้ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิดประโยชน์ตนกันเนี่ย อย่างที่หลวงตามหาบัวหลวงตาของเราแนะนําสั่งสอนให้ประกอบคุณงามความดีให้รักษาศีลให้ภาวนาให้ปฏิบัติเนอให้ตนให้ตนตั้งตังต้งตนเป็นคนดีเนอสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าคิดอย่าทําอย่าพูดเนอะทําแต่สิ่งที่ดีอันนี้คือประโยชน์ตนประโยชน์ท่านกันนะช่วยเหลือชุมชนอย่างองหลวงตาช่วยเหลือชุมชนช่วยโรงพยาบาลช่วยโรงเรียน ช่วยประเทศชาติอย่างพวกเราเห็นโค้งสุดท้ายะ อ, องค์หลงตาอายุตั้ง80สกว่า เ, เกือบจนะเ0้าสินะหลวงตาจึงไปแสดงธ ร, รรมปล่อยญาติโยมหาทองคำเข้าคลังหลวงได้ถึง13ตันกว่าแล้วก็ดอนล่าอีก10ล้านกว่าดอลล่าเนี่แหละองค์หลงตาท่านประโยชน์ตนท่านก็ไม่ได้ขาดตกบกพร่องท่านได้ประกาศเลยวัน ชาตินี้เป็นชาติจุดท้ายของเราเราจะไม่มาเกิดอีกแล้วหลวงตานะีและก็ประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านท่านก็หาทองคําเข้าคลังหลวงถึงสิบสามตันกว่าอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นนี่หลวงตาของเราเป็นตัวอย่างที่ดีที่ทําประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านแล้วก็ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเป็นเกียรติประวัติบรรดาศิทธญานุสิทธิทั้งหลายถ้าพูดถึงองค์หลวงตาแล้วก็ภาคภูมิใจที่พวกเรา พวกเราท่านทั้งหลายจะเป็นสิทธิอนุสิทของท่านเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านที่นั่งอยู่ต่อหน้าหลวงพ่อเนี่ล้วนแล้วจะเป็นสิทธิอนุสิทขององค์หลวงตาทั้งฝ่ายพระทั้งฝ่ายครวาตขอขอให้พวกเราประกอบคุณงามความดีจิงไหนที่มันไม่ดีอย่าคิดอย่าทำอย่าพูดประกอบแต่ความดีเข้าสู่จิตชอบเข้าสู่ใจความสุขความเจริญก็จะมาสู่พวกเราท่านทั้งหลายตลอด ตลอดไปอย่างองค์หลวงตานะั่นะพ้นทุกในวัฏฏะสงสารไม่มาเวียนไหวตายเกิดตามนึกาเดินตามแนวแถวขององค์หลวงตาการกล่าวสังเวทนิยกถาในวันนี้เห็นว่าสงควรกับการเวลาด้วยอำนาจขนภาษีรัตนตรายพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อนุภาพบุนบรมีขององค์หลวงต า, าพวกเราที่เรารักเคารพนับถือเรื่มใส ขอให้มาคุ้มครองพวกเราขอให้พวกเราทุกๆท่านตล อ, อดถึงท่านพันพันตรีปัจจัยของเราที่เป็นสิทธิอนุสิทธิขององค์หลวงตาถ้าดวงวิญญาณท่านสิงสถิตอยู่ณนะ ท, ที่ใดที่ใดขอขอให้บุญบา ร, รมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บุญบา ร, รมีขององค์หลวงตาของพวกเราคุ้มครองขอให้ดวงวิญญาณของท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ ความสุขความเย็นใจพวกเราทุกๆ ท, ท่านก็เช่นเดียวกันขอให้ประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจและก็ปลาถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ข อ, ขอให้สมหวังดังปาฏนาทุกๆท่านทุกๆคนด้วยเถิด